ลำดับที่1คติธรรมก่อนฟัง MP 3แผ่นที่114โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุราธานีคติธรรมก่อนฟัง MP 3แผ่นที่114ให้คติธรรมว่าทุน โ, นโยเศยโสโหติคนพานมักเห็นผิด เป็นชอบคือพาละชนคนพานจะเห็นตรงข้ามกับบัณฑิตนักปราชญ์เสมออย่างพระพุทธเจ้าท่านเห็นว่ากิเลสราคะโทสะโมหะเป็นของไม่ดีแต่ภาละชนเห็นว่ากิเลสราคะโทสะโมหะเป็นของดีเป็นของที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติเพราะว่ามันเป็น สิ่งที่สิ่งที่ดีสำหรับที่เป็นภาลชนแต่ถ้าเป็นบัณฑิตนักปราดแล้วพนะระพุทธเจ้าสอนยังไง เ, เรื่องศินห้าอย่างนี้เป็นต้นแต่คนที่ไม่ชอบคนพาลนะเขาบอกคนผิดศินห้านะมีความสุขแต่บัณฑิตนักปราดเห็นว่าศินห้าผิดศินห้านะเป็นทางที่ไม่ดี ทำให้โลกทั้งโลกเดือดร้อนวุ่นวายต่อไปตนเองนั่นแหละจะเดื อ, รอดอร้อนเมื่อภายหลังถ้าตัวเองทําผิดศีลธรรมผลนั้นคติธรรมที่ว่าทุนโนโยเยโสยยะโศโหติคนพานมักเห็นผิดเป็นชอบคือเห็นที่สิ่งที่มันดีไม่มีศีลธรรมเป็นดี เห็นตรงข้ามกับว่าบัณฑิตนักเปว่าเห็นว่าคนที่เคารพในศีลธรรมเป็นหนทางที่ดีเนี่ภาลชนกับบัณฑิตเดินหันหลังให้กันมาโดยตลอดนี่แหละเอ็มพสาแผนที่หนึ่งร้สิบสี่ก็ให้กติธรรมอย่างที่ได้พูดได้กล่าวด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้มาคุ้มของพวกเราท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเย็นใจดวงตาเห็นธรรมในที่สุดทุกท่านด้วยเทิน